บทที่21ธาริกาเท่าวันรุ่งขึ้นที่ลานจอดรถวัดป่ามะม่วงมีรถเบนมาจอดนับสิบคันทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะลูกชายในธนาคารพาพักพวกเพื่อนพ้องมาดูนารีผลท่านพระครูจำต้องนำพานที่บรรจุธาริกาเท่า ลงมาให้พวกเขาชมกันก่อนนำลงมาท่านสัพพยอกนารีผลสองตนว่าขออนุญาตพาไปโชว์หน่อยนะหลวงพ่อเผลอไปพูดเมื่อวานนี้ว่าเราสองตนมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่นำลงไปให้เขาดูเขาต้องว่าหลวงพ่อพูดเท็จแน่เลย นารีผลสองตนปรากฏกายให้เห็นในชุดไทยเดิมสีสดสวยไม่แพ้ชุดปัญจาวีเราไม่อยากวุ่นวายกับพวกมนุษย์เลยเจ้าค่ะนารีผลตนหนึ่งพูดเทนานึกว่าเห็นแก่หลวงพ่อเกาแล้วกันเขาเป็นลูกชายในธนาคารเชานาะไม่สนใจหรือไม่สนใจเจ้าค่ะพวกมนุษย์เหม็นสาบเหม็นสางเราทนไม่ได้หรอกเจ้าค่ะ นารีผลอีกตนหนึ่งพูดพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเม้นสาบหลวงพ่อด้วยนะซิเพราะหลวงพ่อก็เป็นมนุษย์หลวงพ่อไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นมนุษย์ที่ฝึกอบรมดีด้วยศีลสมาธิปัญญาแค่กลิ่นศีลก็หอมหวนทวนลมลอยไปไกลถึงเทวโลกแล้วเจ้าค่ะแล้วกลิ่นสมาธิกับกลิ่นปัญญาลอยไปถึงไหนล่ะกลิ่นสมาธิลอยไปถึงพรหมโลก ส่วนกลิ่นปัญญาลอยไปไกลกว่านั้นเจ้าค่ะไกลถึงไหนล่ะท่านถามอีกเรื่องนี้หลวงพ่อรู้ดีกว่าพวกเรานะเจ้าค่ะส่วนที่พวกเรารู้ก็คือคนพวกนั้นนะ่ะเขาจะไม่ดูเราเฉยๆหรอกเจ้าค่ะพรุ่งนี้เขาจะพาหมอจากโรงพยาบาลสิริราชมาผ่าเราด้วยหลวงพ่อทําให้เราเดือดร้อนแล้วนะเจ้าคะน้ําเสียงเจียวแววตัดพอ้อ เขาจะพ่าทาไมล่ะเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าเอาวัยวาภายในของพวกเราเนะ่ะเหมือนมนุษย์หรือไม่แล้วเหมือนไม่ล่ะหลวงพ่อจะได้บอกเขาได้เขาไม่เชื่อหรอกเจ้าค่ะหลวงพ่อจะบอกว่าเหมือนหรือไม่เหมือนเขาก็ต้องผ่าอยู่ดีแล้วถ้าหลวงพ่อไม่ให้เขาพาล่ะเขาไม่ฟังหรอกเจ้าค่ะ งั้นหลวงพ่อก็จะไม่เอาลงไปให้เขาดูท่านพระครูพยายามแก้ปัญหาเขาก็จะพากันกราวหาว่าหลวงพ่อพูดไม่จริงหลวงพ่อครับข้างล่างให้ผมขึ้นมาดูว่าหลวงพ่อทำไมถึงช้านักนายแดงถูกส่งขึ้นมาตามเขาไม่เห็นนารีผลในภาพของหญิงสาวโสภาเห็นแต่ซากธาริกาเท่า ที่นอนขดตัวอยู่ในพานกําลังจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละเอ็งลงไปบอกเขาว่าข้ากําลังตามลงไปเดี๋ยวนี้นายแดงลงไปแล้วท่านเจ้าของกุฏิจึงบอกนารีผลสองตนนั้นว่าแล้วค่อยคิดกันว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรหลวงพ่อขอลงไปข้างล่างก่อนนิมนทรเจ้าค่ะพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึง หลวงพ่อลงไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเถิดเจ้าค่ะเราสองคนจะลงไปนั่งข้างๆอาศนะเพื่อหลวงพ่อติดขัดจะได้ช่วยพวกนั้นจะซักไซ้ไล่เลียงจนหลวงพ่อลำบากที่จะตอบถามเราได้นะเจ้าค่ะแล้วเขาจะได้ยินเราพูดหรือเปล่าล่ะไม่ได้ยินเจ้าค่ะได้ยินแต่หลวงพ่อพูดเท่านั้นงั้นเขาก็ว่าหลวงพ่อเพี้ยนนะซ ช่างเขาเธอเจ้าค่ะถูกว่าก็ยังดีกว่าถูกผ่าพรุ่งนี้เราสองตนถูกผ่าแน่หลวงพ่อให้เขาผาแค่ร่างเดียวนะเจ้าค่ะหลวงพ่อจะพยายามพูดไม่ให้เขาพาแต่ถ้าจะผ่าจริงๆก็จะอนุญาตให้ผาได้ร่างเดียวตกลงไหมเจ้าค่ะนี่หมดหลวงพ่อเธอเจ้าค่ะเราสองคนจะตามลงไปด้วยลูกชายในธนาคาร และพักพวกรอดูนารีผลอย่างใจจดใจจอ่อคลันเห็นสมปานวัดป่ามะม่วงเดินมานั่งอย่างอาศนาในมือถือพานใบหนึ่งก็พากันถามไนครับหลวงพ่อนารีผลอยู่ที่ไหนในพานนี่ไงเข้าไปดูใกล้ๆสิลูกชายในธนาคารขยับเข้าไปใกล้แล้วมองลงไปในพานเห็นสิ่งที่อยู่ในนั้น ก็ทำหน้าผิดหวังทำไมหน้าเกลียดจังครับไม่เห็นสวยเหมือนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังลูกชายในธนาคารพูดนั่นสิครับเมื่อคืนพอเพื่อนโทรศัพท์ไปบอกผมอุตส่าห์โทรศัพท์ไปถามเพื่อนที่อาจารย์สอนวรรณคดีไทยว่านารีผลเป็นอย่างไรเขาก็บอกว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่าหิมพานต์ออกดอกออกผลเป็นสาวสวยโสภา แต่นี่ทำไมถึงน่าเกลียดอย่างนี้อย่าไปว่าเขาเขารู้นะจริงๆเขาไม่ได้ร่ากเกลียดเขาสวยอย่างที่เพื่อนโยมบอกนั่นแหละจริงไหมจ๊ะท่านพูดกับสิ่งที่อยู่ในพานหากตาชำเลืองไปที่สาวสวยสองนางที่นั่งผับเพียบเรียบร้อยอยู่หน้าอาสนะหนึ่งในสองพูดว่า หลวงพ่ออย่าไปเสียเวลาเถียงกับเขาเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อพูดราวกับว่าเขารับรู้ได้ได้สิโยมอาตมาถึงไม่อยากให้โยมว่าเขาผมจะไม่ว่าเลยถ้าเขาสวยอย่างที่ผมคิดไม่ใช่น่าเกลียดอย่างนี้ท่านพระครูจึงพูดกับสิ่งที่อยู่ในพานอีกว่าเขาอยากเห็นตอนสวยให้เขาเห็นหน่อยได้ไหม ไม่ได้เจ้าค่ะผู้ที่จะเห็นเราต้องเป็นผู้ที่อบรมด้วยศีลสมาธิปัญญาเช่นหลวงพ่อเท่านั้นมิเช่นั้นเขาจะยับยั้งชั่งใจไม่ได้ดูอย่างพวกฤาษีชีไพรอบรมศีลและสมาธิเป็นร้อยเป็นพันปีพอเห็นพวกเรายังพากันตบะแตกเป็นแถวๆอีกประการหนึ่งถ้าเราปรากฏกายให้เห็น พวกเขาก็จะมองหลวงพ่อในแง่ร้ายและพากันเอาไปนินทาไม่รู้จักจบเจ้าค่ะเขาไม่ต้องการให้โยมเห็นอาตมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงงั้นหลวงพ่อช่วยเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมครับว่าธาริกาเท่าสองตัวเนี้ยหลวงพ่อได้มาอย่างไรใช่มักลีผลที่อยู่ในป่าหิมะพานจริงไหมท่านพระครูจึงเล่าถึงที่มาของนารีผลขณะที่ท่านเล่า ญาติโยมก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเมื่อท่านเล่าจบลูกชายในธนาคารจึงถามขึ้นว่าทำไมตอนหลวงพ่อไปเห็นที่ถ้ำประเทศศรีลังกากับตอนนี้ถึงไม่เหมือนกันล่ะครับผมหมายถึงว่าทาไมาขนาดถึงเล็กลงเหลือนิดเดียวทั้งที่ตอนเห็นในถ้ำใหญ่กว่านี้หลายสิบเท่าเพราะนารีผลไม่มีกระดูกเมื่อเวลาผ่านไปก็จะค่อยๆ ย, ยอ่อสวนลง แล้วก็ดูแกชราเหมือนคนที่อายุมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องแกเท่าร่วงโรยไปแต่เพราะคนมีกระดูกรูปร่างก็ไม่เปลี่ยนมากส่วนานารีผลไม่มีกระดูกจึงยุบลงยุบลงเรื่อยๆตอนอาตมาได้มาใหม่ๆขนาดใหญ่กว่านี้สักห้าเท่าเห็นจะได้และจะยุบลงอีกไหมครับจะยุบอีกไหมท่านถามน า, นารีผลในพาน เพาว่านารีผลนอกพานกลับเป็นผู้ตอบไม่ยุบแล้วเจ้าค่ะนี่ขนาดเล็กที่สุดแล้วต่อไปก็จะผุกร่อนหายไปเหมือนไม้ผุๆชิ้นหนึ่งสังขารทั้งหลายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องนี้หลวงพ่อทราบดีกว่าเราสองตนนะเจ้าค่ะเขาบอกว่าไม่ยุบแล้วต่อไปก็จะผุกร่อนไปตามกาลเวลาแหมเหมือนคนเลยนะ ไหนลองหักดูหน่อยซิว่าเหมือนเนื้อคนหรือเนื้อไม้กันแน่โยมผู้หญิงที่มากับลูกชายในธนาคารพูดพลางเอื้อมมือมาหักส่วนที่เป็นนิ้วของนารีผลอย่าหักยานารีผลสองตนร้องขึ้นพร้อมกันทว่ามีแต่ท่านพระครูเท่านั้นที่ได้ยินหลวงพ่อทำไมเขาทำเราอย่างนี้จะมาหักเราทำไม เจ้าของร่างที่ถูกหักนิ้วโอดครวนท่านพระครูจิตตาหนิโยมผู้หญิงว่าโยมทำไมทำอย่างนั้นละ่ะเจ้าของเขาไม่พอใจแล้วนะใครคัเจ้าของที่ไหนหล่อนถามไม่รู้สักนิดว่าได้ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นก็อาตมาอย่างไงละ่ะอาตมาเก็บไว้ตั้งหลายปีไม่เคยไปแตะต้องอะไรเขาแต่โยมมาเห็นเดียวยวหักนิ้วเขาเสแล้วไม่น่าเลย แม้หลวงพ่อกะอีแค่เสร็จนิดเดียวทำห่วงไปได้เป็นพระเป็นเจ้าน่าจะรู้จักปล่อยวางเสียบ้างหล่อนถือโอกาสสอนพระหลวงพ่อเจ้าคะมนุษย์คนนี้ไม่น่ารักเลยเขาไม่มีมารยาททำร้ายเราและยังไม่พอยังกล่าวว่าจะจ่วงจาบหลวงพ่ออีกเขาบาปมากเราสงสารเขาจังเลยนารีผลตนหนึ่งพูด นั่นสิหลวงพ่อต้องขอโทษเลยนะที่ไม่สามารถปกป้องเราสองตนไว้ได้โยมผู้หญิงนึกว่าท่านขอโทษตนจึงพูดว่าไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะต่อไปจะพูดจาอะไรก็คิดเสียก่อนไม่เช่นนั้นญาติโยมเขาจะตำหนิเอาได้หลวงพ่อเจ้าคะ่ะช่วยพาเราขึ้นข้างบนถ้าเจ้าคะ่ะคืนอยู่นานจะทำให้มนุษย์ผู้หญิงคนนี้บาปมากขึ้นอีกอย่างหนึง่ง เราก็เหม็นสาบกลิ่นมนุษย์เต็มทีพวกเขาไม่อบรมตนด้วยศีลสมาธิปัญญากลิ่นตัวเหม็นสาบเหม็นสางท่านพระครูจึงพูดกับญาติโยมว่าอาตมาขอเอาไปเก็บข้ังบนก่อนนะเขาอยากพักผ่อนกันแล้วท่านหยิบพานบรรจุนารีผลและลุกจากอาศัศนะเพื่อนานารีผลไปเก็บโดยไม่ฟังคำทัดทานของญาติโยมที่จะขอดูต่อ จากนั้นจึงลงมานั่งยังอาสนะอีกครั้งหอมจังเลยนะคะหอมกว่าไม้จันซิอีกนึกว่าเหม็นเน่าเหมือนซากศพโยมผู้หญิงที่หักนิ้วนารีผลพูดพลางสูดดมกลิ่นไม้เล็กๆที่หักมาจากร่างธาริกาเท่าท่านพระครูไม่ได้พูดว่าอะไร หากบอกญาติโยมว่าเชิญไปทานอาหารที่โรงครัวนะแม่ครัวเข้าเตรียมไว้แล้วบรรดาผู้มาชมนารีผลพ่งรู้สึกหิวจึงพากันกราบท่านและก็ลุกไปยังโรงครัวฝ่ายญาติโยมที่มาเพื่อให้ท่านช่วยแก้ปัญหายัางไม่ยอมลุกเพราะว่ากลัวจะเสียคิวจึงเริ่มด้วยการร้องทุกข์หลวงพ่อคะหนูอยากตายคะ่ะ สตรีวัยสี่สิบเศษกราเปลียนด้วยใบหน้าเปื้อนน้ำตาทำไมถึงอยากตายละ่ะใครๆก็อ ย, กอยากอยู่กันทั้งนั้นเพราะชีวิตหนูไม่มีอะไรอีกแล้วหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหมดก็สร้างใหม่อย่าท้อถอยอย่าท้อแท้ต้องสู้นะโยมนะหนูไม่มีแก่ใจสู้แล้วละค่ะรู้สึกหมดอะไรตายอยากในชีวิต สามีอยู่กันมาตั้งยี่สิบกว่าปีเพิ่งรู้ว่าแอบไปมีเมียน้อยเป็นนักร้องเอาเงินเอาทองไปทุ่มเทให้นางนักร้องช่วยส่งเสียลูกมันจนจบปริญญาลูกตัวเองไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ปล่อยให้อดอดหยัดยากเงินเดือนออกมาก็ขนเอาไปขุนนางนั่นหมดและแบบนี้หลวงพ่อจะให้หนูอยู่ไปทำอะไรคะหล่อนร้องไห้ฟมูมฟาย ไม่โง์ไม่อายใครทั้งนั้นท่านพระครูกำลังคิดหาคำพูดปลอบใจหล่อนหากยังไม่เจอหลอนก็พูดอีกว่ามันเที่ยวไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเป็นแสนเปิดร้านอาหารให้นังนั่นแล้วก็ไปช่วยมันขายไม่รู้จะหลงไหลชัยชรกันไปถึงไหนหนูกะจะเอาระเบิดไปปลาใส่ร้านมันก่อนแล้วจึงฆ่าตัวตายทีหลัง คำพูดของหล่อนทำให้ท่านพระครูหาคาพูดเจอพอดีทว่าไม่ใช่คำพูดที่ปลอบใจแต่เป็นคำพูดที่จะทำให้หล่อนรู้สึกสะใจเอาเลยโยมอยากทำอะไรก็ทำเอาให้สะใจเลยนะเสร็จแล้วก็ข่าตัวตายหนีอาญาแผ่นดินเพราะทำไม่ตายรับรองโยมติดคุกแน่คนมีทุกข์รู้สึกผิดคาดคิดว่าท่านจะห้าม แต่ท่านกลับยุสงจึงถามเสียงอ่อยๆว่าถ้าหนูตายแล้วใครจะอยู่กับลูกละคะก็ทายโยมติดคุกแล้วใครจะอยู่กับลูกโยมล่ะข้อนี้ต้องมาก่อนถ้าตอบได้ข้อแรกก็ตอบได้หนูตอบไม่ได้คะ่ะตอบไม่ได้ทั้งข้อนี้แล้วก็ข้อแรกคนมีทุกข์รู้สึกจนปัญญางั้นก็กกลับไปคิดสักสามวัน ได้คำตอบและค่อยมาบอกอาตมาไม่กลับค่ะกลับไม่ได้ประเดี๋ยวเห็นหน้ามันหนูเกรงจะอดใจไม่ไหวไม่อยากเป็นฆาตกรค่ะหลวงพ่องั้นก็บวชชีอยู่ที่ที่วัดนี้ก็แล้วกันสมพานวัดป่ามะม่วงพยายามหาทางออกให้บวชไม่ได้ค่ะคืนบวชพวกมันก็สบายแฮสมบัติพระสถานของหนูมีตั้งมากมาย เกิดมันยักย้ายถ่ายเทไปให้นางนักร้องแก่ๆคนนั้นหลวงพ่อจะว่ายังไงอัตมาก็ไม่ว่ายังไงแต่จะอนุโมทนาให้เขามีความสุขเด็กกันจริงๆนะถ้าอัตมาเป็นโยมก็จะยกให้เขาไปเลยต้องเอาอย่างพระเวสสันดรสิท่านยังยกพระนางมัตสีให้กับพรามที่มาขอโยมก็ยกสามีให้นักร้องนั่นไปจะได้ไปสร้างบารมียังไงล่ะ ยกไห้ไปเลยทั้งลูกทั้งสามีแล้วก็มาบวชชีอยู่วัดตกลงนะไม่ตกลงค่ะหนูยังใจไม่ถึงเหมือนกับพระเวสสันดรหลวงพ่อช่วยหนูหน่อยเถอะนะคะช่วยให้คาถาที่แช่งให้มันเลิกกันอาตมาหมีมีคาถาแช่งใครมีแต่คาถาแผ่เมตตาให้เขาอยู่ดีมีสุขนี่อาตมาพูดจริงๆนะไม่ใช่เรื่องไร้สาระ โยมทำใจเยเธอผู้ชายก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละปรงเสียหายตกจะได้ไม่ทุกข์มันปรงยากคะหลวงพ่อให้ฆ่ามันยังง่ายเสียกว่างั้นก็ไปฆ่าเดี๋ยวนี้เลยมีปืนหรือเปล่าถ้าไม่มีอาตมาจะให้ปืนเอ็มสิบหกนะมีลูกกระสุนสิบลูกอาตมาให้ไปหลายคนแล้วได้ผลจะงัด ถูกคนยิงตายสนิทเลยจะเอาไหมหนูยิงปืนไม่เป็นค่ะคนมีทุกปฏิเสธอย่างนิ่มนวลไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะสอนให้ไม่อยากรอกหลวงพ่อไม่กลัวอาบัตเหรอคะเพราะเป็นพระไม่กลัวรอกอาตมาไม่ได้ทำผิดพระวินยัยไม่ผิดยังไงครับก็หลวงพ่อสอนให้คนใช้ปืนเอ็มสหยิงคนตาย ผมว่าแบบเนี้หลวงพ่อต้องอาบัติประชิกเลยนะครับบุรุษผู้รอคิวรู้สึกอดทนทนไม่ได้ท่านพระครูจึงอธิบายว่าญาติโยมทั้งหลายโปรดฟังทางนี้การฆ่าที่ไม่ผิดพระวินัยก็คือการยิงด้วยปืนเอ็มสิบกที่มีกระสุนสินัด นี่ปืนแบบนี้ท่านประนมมือขึ้นทั้งสองและอธิบายต่อว่าไหวยังไงล่ะพระพุทธองค์ทรงสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนมือเป็นงอนเป็นยังไงคะคนมีทุกข์ถามก็ไหวยังไงล่ะไหวไปเลยการไหวชนะใจคนมากมายหลายล้าน ทำให้คนเขาเมตตาเราดีกว่าไปทำสเสน่ห์เมตตามาหานิยมอะไรนั่นเสีอีกการทำสเสน่ห์มีจริงหรอคะหลวงพ่อหล่อนคิดจะไปทำสเสน่ห์เพื่อดึงสามีกลับมีจริงแต่อาตมาไม่แนะนำให้ทำมันเป็นบาปจะไปเอาบาปมาใส่ตัวทำไมท่านพระครูรู้ความคิดหล่อนจริงรีบห้าม แต่ถ้าทำแล้วได้ผลหนูก็ยอมบาปค่ะโยมอย่าพูดอย่างนั้นเรื่องอะไรจะไปยอมบาปเพราะคนอื่นอาตมาจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะคนที่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะ่ะเลวที่สุดท่านลงทุนเทศรงแรงเพื่อเรียกสติหล่อนให้กลับคืนมาสตรีผู้นี้กาลังขาดสติเพราะความทุกข์ที่สามีนอกใจถูกท่านเทศรงแรง คนมีทุกข์ก็ร้องไห้กระสิกระสิกท่านพระครูจึงเทศต่อด้วยเสียงที่อ่อนลงอาตมาเข้าใจความทุกข์ของโยมแต่ก็อยากให้โยมมีสติถ้าขาดสติจะแก้ปัญหาชีวิตใหม่ได้จำไว้อย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองอย่ายอมบาปเพราะคนอื่นมันไม่คุ้มกันเลยทำตามที่อาตมาสอนนะอย่าไปผูกเวรกับใคร เขากโกรธมาเราก็อย่ากโกรธตอบไปเขาร้ายมาก็เอาดีเขาแก่ไขคนตระีขอให้คนตระนีให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลวไหลเอาความจริงใจเข้าไปสนทนานี่อาตมาไม่ได้คิดขึ้นเองนะแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าอกโกเทนะชิเนโกทาง อสาทุงสาทุนาชิเนชินเนกฐาริยังภานนะสัจเจนะลิกะวาทินันติพึงชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรนีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเล้วไหลด้วยการพูดความจริงโยมต้องทําให้ได้นะพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ลึกซึ้งมาก มีคนทําได้หรอคะหนูว่าไม่น่าจะมีคนทําได้หล่อนรู้สึกคลางแคลงมีสิโยมคนทิ่ทาได้ตามนี้คนแรกก็คือนางอุตราผู้เป็นพุทธสาวิกาถูกนางเสริมาเอาน้ํามันเดือดเดือดมารดเพราะความหึงหวงแต่นางอุตราไมา่กโกรธและก็แผ่เมตตาให้อา น, นิสง์ของเมตตาทําให้น้ํามันร้อนๆ้อนเย็นลง ไม่ทำอันตรายให้กับนางอุตราเลยการทำความดีต้องฝืนใจนะโยมต้องฝึกใจให้ได้อย่าเอาความทุกข์ความหึงหวงมาเป็นเหตุก่อเวรกับคนอื่นมันเป็นบาปติดตามตัวเราไปในภพน้าเชื่ออาตมาตเถอะลุงพ่อไม่ใช่หนูก็พูดได้ลองจเป็นหนูมั่งก็จะรู้ว่ามันแค้นแน่นสวงเพียงไร หนูถูกสามีและนางนั่นทำร้ายจิตใจแทนที่หลวงพ่อจะตำหนิติเตียนมันกลับมาสอนหนูให้ปรงหนูปรงไม่ได้หรอกคะ่ะคนมีทุกยังคงดื้อดึงขึงขังโยมอยากเข้าใจผิดที่อาตมาสอนโยมเพราะเห็นว่ายโยมยังอยู่ในข่ายที่จะสอนได้แต่สองคนนั้นเขาเตลิดไปไกลจนกูไม่กลับแล้ว ที่อาตมาไม่ตำหนิติเตียนสามีโยมและผู้หญิงคนนั้นก็เพราะไม่อยากซ้ำเติมเขาคนที่ผิดศีลไม่ว่าข้อไหนย่อมมีที่ไปคือนรกเขาสองคนต้องตกนรกอยู่แล้วอาตมาช่วยเขาไม่ได้แต่สำหรับโยมอาตมาเห็นว่าพอช่วยได้จึงแนะนำสั่งสอนถ้าโยมไม่ปรงเสียให้ตก อาจจะติดร่างแห้เข้าไปด้วยก็ได้ก็แล้วแต่โยมเธออาตมาช่วยได้เท่านี้แหละได้ยินว่าสามีกับนักร้องจะต้องตกนรกคนมีความทุกข์รู้สึกคลายความเครียดแค้นชิงชังที่มีต่อคนทั้งสองเหือดหายมีความสมเพศและสังเวชใจเข้ามาแทนที่